อย่างปกติเนี่ยเวลาที่เราทํางานนะเราทํางานเนี่ยคนสมัยนี้นี่ไม่ใช่ว่ามีงานเดียวอะ่ะคนสมัยนี้นี่ต้องมีจอบเสริมอะ่ะไม่งั้นสตุง้งสตังก็อาจจะไม่ค่อยพอใช้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีงานประจําที่เป็นงานหลักของเรานะแล้วก็จะมีงานเสริมอะ่ะ รายได้เสริมีไองานของจิตใจนี่ก็เหมือนกันนะมันก็มีงานประจำแล้วก็มีงานจอนงานประจำด้วยงานจรด้วยงานประจำเป็นยังไงงานประจำก็คือการที่เราคอยมีสติที่จะ พิจารณากายเราอยู่บ่อยๆคอยเห็นกายอันหนึ่งใจอันหนึ่งคอยเห็นกายที่เป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามเป็นของที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปได้ควบคุมไม่ได้สุดท้ายมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล อันนี้คืองานประจำมันมันก็ทำอย่างนี้แหละจะยังไงจะยังไงก็ต้องทำอย่างนี้แหละจะบอกจะมาหาอุบายอะไรมันก็ไม่มีอุบายอะไรมันก็มีแค่นี้แหละทำให้มันเห็นอย่างนี้แหละพิจารณาบ่อยๆทำให้เห็นบ่อยๆเห็นกายว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เปนของไม่สะอาดเป็นสิ่งปฏิกูลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้ได้ประจำแต่บางทีเราก็จะคอยได้ยินว่าอูยึกปฏิบัติกรรมะมันต้องหัดคิดหัดพิจารณาสิแล้วมันไม่คิดไม่พิจารณามันจะไปแก้ทุกยังไง ดูเหมือนมันจะค้านกับางานประจาของเราล่ะเพราะางานประจาเรามันก็ไม่ได้มีอะไรต้องคิดเยอะมันก็มีเท่านี้แหละเห้เห็นกายเห็นใจแล้วก็พิจรารณาให้มันเห็นถึงความไม่เที่ยงยอันนี้งานประจำในางานจรงานจรงานจรคืออะไรงานจรก็คืองานที่ ระหว่างวันของเราเนี่ยแหละเวลาที่เราเจอผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายความคิดนึกปรุงแต่งแลวปิดเทียบไปเนื้อเป็นงานจร น, นะที่มันจรเข้ามาให้เราต้องคอยแก้ไขกันไป เสียงที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เสียงที่เรายินดีได้ทุกครั้งมันก็มีทั้งเสียงที่น่าพอใจบ้างเป็นเสียงที่ไม่น่าพอใจบ้างในที่เราเห็นเนี่ยมันก็เห็นทั้งในสิ่งที่มันน่าบันเทิงใจเป็นเสิ่งที่ทำให้เราหงุดหงิดลำคาญขัดเคือมกม็มีเยอะมันก็จอนเข้ามาแล้วมันก็จอนไปจอมาจอไป ความคิดนึกปรุงแต่งเราก็เหมือนกันมันก็คิดเรื่องนั้นแล้วก็ไปเรื่องโน้นและสาระต่ไปเพราะงั้นการที่เราจะมาสู้กับงานจอนอย่า ง, งานจอนมันหลากหลายไงใช่ไหมมันไม่เหมือนงานประจานะงานประจาเราก็มีอยู่แค่นี้แหละคอยพิจารณาตัวเองคอยพิจารณากายเรากายเขามันก็มีเท่านี้แหละ ประจำต่งานจรเนี่ยมันก็มีหลายอย่างเปลี่ยนไปได้หลายทางทางที่ขัดเครื่องทอํายังไงอันนั้นเราก็ต้องหัดที่จะมองโลกให้มันตามความเป็นจริงเนี่ยเอามาแก้ ง, งานจรเหล่านี้แหละแต่พอพูดอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับงานจรกับงานประจําเนี่ย มันดูจะแยกส่วนกันไปหรือเปล่ามันก็เหมือนจะแยกแต่มันก็ไม่ได้แยกกันนะจริงๆนะ้วมันก็เกื่อนหน่วงกันไอ ง, งานหลักเนี่ยมันทําให้เราเห็นเนเห็นถึงความเป็นจริงใช่ปะ่ะเห็นถึงความเป็นจริงว่ามันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขาเท่งแท้มันก็พาเราพาใจเราให้ไม่เห็นถึง ความไม่มีเกลนสารที่มันจริงจังที่เราทำอะไรไปอะไรไปที่เราว่ามันมีสาระเกลียนสารเอาจะเป็นจะตายกับมันเนี่ยพอเราเห็นถึงความไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาสาระที่มันมีต่อใจเนี่ยมันก็ได้ผ่อนคลายคลี่คลายลงมันก็เอื้อฮนะ เพื่อให้เราไปใช้ในงานงานจอดได้ดีขึ้นด้วยเพราะกันที่เราเห็นถึงความไม่มีสาระที่มันจริงจังเหน็นถึงความไม่มีเก่นสารของมันเราก็ปล่อยวางในงานจอดในภาษาได้ดีขึ้นด้วย แต่ก็ไม่ใช่ว่าเออะอะไรก็คิดแต่มันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอย่างเดียวเออะอะไรก็ลมหายใจอย่างเดียวเนี่นก็ไม่ใชเ่เราก็ต้องรู้จักคิดพิจารณาสิว่าใใจเราเนี่ยที่มันทุกข์เพราะอะไรที่เราเห็นแล้วมันทําให้เราทุกข์เราก็เทือนใจเนี่ยเพราะอะไรที่เราได้ยินเราก็เทือนใจเนี่ยเพราะอะไร มีความยินดียึดติดเพราะอะไรมันถึงต้องเห็นใจบ่อยๆให้ได้คุยกับใจของของเราเองบ่อยๆมันจะได้รู้จักที่จะผลิตอาวุธที่มันจะมาสู้สู้กิเลสแต่ถ้าเราเอาแต่เึ้่งตำรากิเลสมันก็ มันไม่ได้มีอยู่ในตำราซะทั้งหมดนะถึงมันจะมีในตำราแต่มันก็อาจจะแค่คล้ายๆแต่มันไม่ใช่กิเลสในใจนของเราอาจจะเป็นประเภทเดียวกันแต่ความที่มันเป็นแบบในตำรากับของจริงมันก็คนละแบบกันวิธีแก้ในตำรามันก็อาจจะถูกกับจริตของคนที่เขาผ่านมาแล้วในตารา แต่มันอาจจะไม่ถูกจริตกับเราก็ได้เพอาูวอย่างนี้แล้วเหมือนกับจะให้ปฏิเสธตำราก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะทีแต่เราอ่านเราศึกษาเนี่ยก็เพื่อจะให้เห็นว่าเออกิเลสไม่มีโทษนะแล้วเขามีวิธีการยังไงกันบ้างมีอุบายยังไงกันบ้าง แต่จะเอาเราไปเป็นเหมือนในเคสในตำราเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะเราแค่เอาสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราศึกษาสิ่งที่เราฟังมาประยุกใช้ต่างหากมาประยุกใช้เพื่อที่จะแก้ใจตัวตัวเองมาแก้กิเลสในใจตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าใจเราเนี่ยมันเหมือนตรงไหนของตำรา มันเหมือนตำราตรงนี้เราก็จะแก้แบบนี้อย่างนี้ไม่ใช่นะเราต้องเรียนรู้แล้วก็สรุปเอาแก่นของมันแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองผลิตอาวุธที่จะมาสู้กับกิเลสในใจของตัวเองมันต้องเป็นอย่างนั้นนะ่ะ ไม่ใช่ว่าเออะอะไรก็ไปเปิดตำราอย่างเดียวเปิดตำราดูแต่ตำราแล้วก็จะไปหากิเลสในตำราเปิดพระสูตรนั้นเขาทันว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้เอมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไหมถ้าอย่างนั้นมันไม่เห็นกิเลสในใจตัวเองนะตำราใหญ่มันอยู่ในใจนี่อยู่ที่หัวใจของเราเองศึกษาพ้นทุก ก็ต้องศึกษาที่ใจของเราเองไม่ได้ศึกษาที่ใจของใครเมื่อกิเลสมันก็อยู่ในใจของเราจะกิเลสในใจคนอื่นมันก็เป็นของคนอื่นไปนะไม่ต้องไปแก้ของใครของไกลแก้ของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นถึงแม้มันจะเป็นกิเลสแบบเดียวกันที่มันอยู่ในใจของเรากับอยู่ในใจของคนอื่นวิธีการ มันก็อาจจะใช้คนละอย่างก็ได้มันก็แล้วแต่ความถนัดปุณกีใสต้นทุนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเปลีเป็นหมอเนี่ยเราก็ต้องเป็นหมอให้ตัวเองนะจะคอยให้ใครมาคอยวินิจฉัยให้อยู่ตลอดตลอดเนี่ยมันก็ไม่ทันทุท่มทีเราต้องเป็นหมอให้ตัวเองรู้จักวินิจฉัยโรคให้กับตัวเอง ว่าโรคใจของเราตอนนี้มีสมุลฐานเป็นยังไงเพราะอะไรถ้ามันมีความผิดปกติอย่างนี้แล้วเนี่ยปมันมาจากอะไรค่อยๆดูไปพอเห็นแล้วแล้วเราจะแก้อย่างไรก็ต้องหัดที่จะปรุงยาให้ตัวเองด้วยการศึกษาการอ่านการฟังมันก็ดีมันก็อาจจะได้แง่ได้เงื่อน ได้มีความเห็นที่มันถูกตรงถูกต้องมากขึ้นแต่อย่าลืมว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดมันไม่ใช่ทั้งหมดแล้วเราก็เป็นทั้งหมดในตำรา ห, หนึ่งนั้นอะ่ะก็ไม่ได้เพอเวลาพระพุทธเจ้าทรงประกาศาศาสนาอันนี้ต้องคนไม่รู้ตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่ที่จดบันทึกมาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่ง คนก็มีหลายร้อยแบบหลายพันแบบร้อยพ่อพันแม่ต่างอุปนิสัยกันไปท่านก็เทศให้ผู้คนเหล่านั้นนี่ลให้ได้เข้าใจเทศตามอุปนิสัยคนฟังนั่นเลแล้วเราจะเป็นทั้งหมดของตาราเนี่ยมันก็ต้องเป็นทั้งหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นแบบเราเป็นอย่างนั้นได้เกอไม่ได้หรอกเราก็เป็นแบบของเรานี่แหละแต่เราเอาอุบายเอาความรู้ความเข้าใจ เอามาปรุงปรุงยารักษาใจของเราแน่นอนแหละมันก็ไม่ใช่ว่าจะปรุงแล้วได้ผลทุกครั้งมันก็ต้องมีผิดบ้างถูกบ้างมันก็เป็นประสบการณ์งไปเราก็จะได้รู้ว่าอันไหนที่ทำแล้วมันดีอันไหนที่ทำแล้วยังไม่ได้ผลอย่างนี้แต่จะให้คนอื่นมาคอยบอกอยู่ตลอดเนี่ยทาไม่ได้หรอก เราจะมาตัวแปะติดกับครูบาจารย์ตลอดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นหมอให้ตัวเองเป็นครูให้กับตัวเองการจะเป็นหมอที่ดีเป็นครูให้กับตัวเองที่ดีพื้นฐานมันก็อยู่ตรงที่ว่าเราก็ต้องมีสติคอยที่เห็นใจเราให้ได้บ่อยๆ รู้จักหัดพิจารณาเห็นอยู่ในใจบ่อยๆว่าใจของเราเป็นยังไงเราเห็นอยู่อย่างนี้มันก็เป็นพื้นฐานของทั้งงานหลักแล้วก็งานจอนจอมยัดแธอชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะหมายความว่าเรามีกิจวัตรประจำวันยังไงเนี่ยโดยมากเนี่ยมันก็ ทุกๆวันมันก็เหมือนเดิมมาเลยเราเคยตื่นเวลาไหนเราก็ตื่นเวลานั้นเรากินข้าวเวลาไหนเราก็กินข้าวเวลานั้นเราเคยนอนเวลาไหนส่วนมากเราก็นอนเวลานั้นวงจรชีวิตตอนหนึ่งวันของเราเนี่ยส่วนมากแพทเทิร์นมันก็ตายตัวนะโดยมากตายตัวถ้าเราคิดดูให้ดีว่า วันหนึ่งวันหนึ่งมันก็หมดไปนะหมดไปหมดไปด้วยด้วยการที่เรายัางใช้พฤติกรรมแบบนี้แหละติ่นมาเราเคยทำยังไงเราก็ทำอย่างนั้นไปหมดวันไปด้วยพฤติกรรมแบบเก่าๆนี่แหละบมดวันไปแล้วเราก็ใช้ในวันต่อไปแบบเก่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยผลที่ได้มันก็คือแบบเก่าซึ่งการที่เราจะให้ เรามีพัฒนาการที่มันดีขึ้นเนี่ยมันต้องยอมสละอะไรบ้างยอมสละเวลาในชีวิตของเราสละดพฤติกรรมที่เราเคยชินคุ้นชินออกไปแล้วก็แทรกพฤติกรรมใหม่ๆที่มันเอือ้อต่อการที่เราจะมีสติเท่าทันกายเท่าทันใจมีสติที่เราจะคอย ที่าจรณ า, าใจเราบ่อยๆถ้าเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจึงจะไปได้เพราะเหตุที่ดีมันก็เป็นผลที่ดีถ้าเราอยากได้ผลดีเราก็ต้องสร้างเหตุที่ดีแต่ถ้าเราไม่ได้สร้างเหตุอะไรเลยยังเป็นเหตุแบบเก่าๆผลที่ได้มันก็เป็นชีวิตแบบเก่าๆ แล้วเราก็จะอยู่บนความหวังอย่างเดียวอยู่บนความหวังว่ามันจะดีขึ้นแต่มันก็เป็นแค่ความหวังนะแต่มันยังไม่ใช่ของจริงซึ่งคนส่วนมากเ่ยก็มีชีวิตอยู่บนความหวังนั่นแหละหวังว่ามันจะดีหวังว่ามันจะดีะดแล้วก็พอหวังมากๆแล้วมันยังไม่ดีเราก็ไปอ้อนวอนไปขอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างแล้ะซึ่งขอได้หรือจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันก็ทำให้จิตใจเราอ่อนแอนั่นแหละแล้วเราก็คอยหวังพึ่งแต่สิ่งที่เหนือธรรมชาติอะไรอย่างนี้ประมาณนี้แต่คนที่ศึกษาคำสอนที่พระพุทธเจ้า ทรงแสดงเอาไว้ทิ้งเอาไว้ให้เราก็จะรู้เลยว่าพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้ให้เราไปเป็นแบบพวกเทวะนิยมคอยอ้อนวอนขออย่างนั้นไม่ใช่ไม่ได้ไปพึ่งในสิ่งที่ที่เราไม่ได้ทําคือสิ่งที่พระองค์ให้พึ่งก็คือให้พึ่งตนนี่แหละพึ่งตนเอง พึ่งตนพึ่งทำแต่แน่นอนมันยังพึ่งตนเองไม่ได้มันก็ต้องพึ่งกัลยะาณมิตรไปก่อนระดับหนึ่งกัลยะาณมิตรที่ดีที่ประเสริฐก็พระพู้เดเจ้าง น, นั่นก็แสดงคําสอนไว้ให้แล้วครูบาอาจารย์ก็มีเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติเราก็ได้เรียนรู้ข้อประพฤติปฏิบัติมีคําถามมีข้อสงสัยก็ไปสอบถามสอบทวนดูว่ามันถูกต้องหรือ ย, ยัง ถูกตรงไหมพอเรามีความรู้มีความเข้าใจมีผลที่มันดีขึ้นระดับหนึ่งอย่าเราก็พึ่งตัวเองได้ดีขึ้นสัดส่วนของการที่เราจะพึ่งตัวเองมันก็ดีขึ้นเยอะขึ้นจนสุดท้ายมันก็ไปถึงตรงที่ว่าเลยพึ่งตนพึ่งธรรมรอะได้เพราะทำใดเกิดต่เหตุพระพุทธเจ้าก็ปีนะ่หน้าที่แค่แสดงเหตุ และความดับไปก็ไม่ได้มีหน้าที่ว่าเสกให้คนนี้พ้นทุกเสกให้คนนั้นพ้นทุกไม่ใช่ทาไม่ได้ทาได้แค่บอกว่าทาอย่างนี้ถ้าเกิดคุณเป็นอย่างนี้น่คุณเห็นไหมว่าอันนี้เป็นทุกนี่นะทุกเข้าใจว่ามันเป็นทุกอยากไปเข้าใจว่ามันเป็นความสุข มันมีความสุขอาจจะแค่ในเบื้องต้นแต่ในถ้ำกลางและที่สุดมันเป็นทุกข์ให้เข้าใจอย่างนี้ด้วยถ้าเราเห็นว่ามันมีแต่ความสุขแล้วเราไม่เห็นว่ามันเป็นความทุกข์ในเบื้องปลายเราก็ยังแก้ไม่ตรงจุดแต่ถ้าเราเห็นว่าสุดท้ายนี่มันเป็นสิ่งที่นําทุกข์มาให้เราก็จะคอยเฝ้าระวังมันแล้วเราก็จะเห็นแหละว่าเหตุ ข, ของทุกข์ตัวนี้คืออะไร เราเห็เหตุของการเกิดทุบแล้วเนี่ยเขาก็ละเหตุออกไปละเหตุออกไปเหมือนอย่างคนมีครอบครัวนะมีลูกอย่างนี้แน่นอนแหละมันก็ถ้ายัางเป็นครอบครัวอบอุ่นอยในชีวิตก็มีความสุขดีใช่ไหมแต่ว่ามีความสุขดีโดยปกติทั่วไปคนก็พอใจแล้วฉันก็มีความสุขดีสบายดี แล้วก็หยุดใจเอาไว้เท่านี้แต่พอเรามาได้ยินคําสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อะไรไว้บ้างที่ว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออะไรความประปรายจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์เอา้าเรารักรูปเรารักคนในครอบครัวรูปมันมีความรักเกิดขึ้นไนหะ คือถ้าเราพักรากจากคนในครอบครัวพ่อตายแม่ตา ย, ตายลูกตายสามีตายภรรยาตายอย่างน้นต้นนะความพักรากมันมาถึงเนี่ยมันก็ทุกแน่นอนแต่ถ้าเราไม่ไม่เคยเตือนใจตัวเองไม่สอนใจตัวเองบ่อยๆเนี่ยถ้าวันนั้นมันมาถึงเนี่ยความทุกข์ที่มันมีมันก็มันมาแบบปุบ ป, ปับมาแบบไม่ทันตั้งตัว มันก็เหมือนกับที่เราดูในหนังนะ น, นะเวลาที่ออ่พวกในสามก๊กนี้ว่าก็ก็ไปขังน้ำเอาไว้ในเขื่อน่ะสร้างเขื่อนสั้างฝายเอาไว้กักน้ําไวา้ใช่ไหมเราไปถึงระดับหนึ่งเขาก็ทําลายเขื่อนทิ้งไปปึ้งน้ำเมื่อท่วมเมืองเลยโอ้ทีนี้คนไม่เป็นตอยูแหละทําอะไรไม่ได้หลับตัวไม่ทันก็เปลี่ยนได้อย่างนั้นน่ะ แต่ถ้าเราคอยหมั่นที่จะสอนใจตัวเองว่าเออพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วนะความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นความรักความยินดีเนี่ยมันก็สร้างความสุขให้เราได้แต่ผลสุดท้ายเนี่ยมันจะสร้างความทุกข์ให้เรานะเราก็ต้องคอยเตือนตัวเองอยู่บ่อยความรักมันก็มาคู่กับความ พ, พลัดพรากที่มันแฝงเอาไว้เพราะฉะนั้นเราก็อย่า ปล่อยใจให้ละเลยความจริงกันนี้ไปพอเป็นอย่างนี้แต่เราได้สอนใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาที่ความพลัดพร่ามันมาถึงจริงๆเราก็ได้้อมมางไว้แล้วไง้อมไว้แล้วอย่างดีแน่นอนแหละว่ามันต้องทุกข์แต่มันก็จะไม่ทุกข์จนเกินความจาเป็นก็ไม่ทุกข์มากจนเกินไปนะทุกข์แบบพอดีพอดีทีม ที่ความพลัดพรากมันมาแล้วแหละแต่ถ้าเรายิ่งคานกับความเป็นจริงเช่นต้องอยู่กับเราไปจนตลอดต้องไม่พลาดจากกาันถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยมันจะสองเท่าสามเท่าเลยเพราะเราทำใจไม่ได้แต่ถ้าเราทำใจได้ ใจเราเข้าใจความเป็นจริงข้อนี้เนี่ยมันก็ไม่ทุกเท่ากับคนที่เขามีใจที่มันค้านกับความเป็นจริงดังนการเข้าใจถึงความเป็นจริงอั น, นเนี้ยมันก็จะทําให้เรามีศักยภาพที่จะลดทอนความทุกข์ไม่ให้มันทุกข์มากจนเกินไปทุกข์ก็ทุกข์ในแบบพอดีเกิดแก่ตายมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นน่ะใช่ไหมแต่เราจะเกิดแก่ตายนี่ทุกข์แบบ ทุกมากหรือทุกน้อยมันก็อยู่ที่วิธีที่เราจะบริหารจัดการมันอยู่ที่เราจะเข้าใจมันมากน้อยแค่ไหนซึ่งคนเรามันมีเกิดมันมีแก่มันมีตายแค่นั้นแหละแต่ถ้าใจเราเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าคนเรามันเกิดได้มันก็แก่ได้นะแก่ได้มันก็ป่วยได้ป่วยได้ก็ตายได้นะถ้าเราไม่เคยหวังไม่เคยคิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็แน่นอนแหละคนเรามีป่วยไข้เป็นธรรมดา ยิ่งป่วยในแบบที่เรารักษาไม่ได้อย่างนี้นะี่ยยิ่งทําใจลําบากเพราะใจมันเสียไปเสียแล้วเนี่ยมันก็ซุดซุดลงเลยซุดแบบรวดเร็วเหมือนอย่างคนเป็นมะเร็งคนป่วยเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยพอทําทใจไม่ได้ว่าตัวเองป่วยรักษาไม่หายเงี้ยไม่นานเนีย่ยไป แต่คนที่เข้าใจนะคนเรามันก็ป่วยได้แสักวันนึงคนแข็งแรงมันก็ตายได้เหมือนกันไม่ใช่ตายเฉพาะคนป่วยเพราะฉะนั้นเราป่วยป่วยกายแต่เราจะต้องป่วยใจไปด้วยเหรออ่าคนที่มีธรรมะมันก็มีช่องออกอย่างนี้ทำไมเราต้องป่วยใจไปด้วยเราเป็นมะเร็งเราก็ป่วยแค่กายทำไมเราต้องมาป่วยใจด้วยใจเราจะต้องหมดหูวหมดกำลังใจไปด้วย อ่าไม่ใช่เราไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ยังมีความสุขใจอยู่ได้นี่เรามีความสงบใจได้นี่เพราะฉะนั้นเราก็จะมีชีวิตที่มันไม่ขัดทุนทางด้านจิตใจการที่เรามีชีวิตที่มันไม่ขัดทุนทางด้านจิตใจเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ใครๆก็ฝ่าหาฝันหานะใจมันเป็นใหญ่ใจมันเป็นประธานถ้าเรา สบายกายแต่ทุกใจผลรวมค่าความสุขของเราก็ยังยังน้อยความทุกข์มันก็นมาแต่เราทุกกายแต่เราสบายใจอยู่ได้ผลรวมความสุขของความทุกข์เราก็ตอบได้เองเนี่ว่าในชีวิตเราก็มันก็ยังมีไปได้ดีอยู่อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับตอนที่สบายกายด้วยแต่ก็ยังถือว่าดี กาจิตใจมันจริงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องคอยหมั่นดูแลดูแลจิตใจแต่ถ้าเราไม่พยายามที่จะแทกพฤติกรรมที่เราจะคอยเห็นกายเห็นใจเราอยู่เรื่อยๆลงไปในในตารางชีวิตของเราเนี่ยก็มันก็เป็นแบบเดิมเราก็ขึ้นชื่อ ว, ว่าเราเป็นผู้ที่ละเลย กับการบริหารจิจตใจถ้าเราคอย ห, หมั่นแทรกการงานภายนอกกับการงานภายใ น, นยแทรกมันลงไปในชีวิตของเราแทรกลงไปในตารางชีวิตของเราให้มันบ่อยขึ้นให้มันถี่ขึ้นให้มันอยู่ได้ในหลายๆช่วงเวลาเราก็ขึ้นชื่อว่าเรารักษาใจได้บ่อยได้ถี่ ได้ในหลายๆช่วงเวลาของเราการงานภายนอกมันก็สำคัญแต่การงานภายในมันก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องแทรกการงานภายในให้มันควบคู่ไปกับการงานภายนอกมันจาเป็นและมันก็ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะมันทำได้เพียงแต่ว่ามันต้องฝึกอะฝึกที่เราจะแทรกมันลงไป แต่ถ้าเราไม่แทรกมันลงไปเลยเนี่ยมันก็เป็นในแบบกเก่าๆแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงปะจจันที่ทสำคัญก็คือเราก็ต้องมาออกแบบชีวิตออกแบบชีวิตของเราใหม่ภายนอกเราจะตัดพฤติกรรมอะไรออกไปได้บ้างอย่างเช่นเราอาจจะใช้เวลาตอนอง่ายๆหลังเลิกงานอย่างนี้เราอาจจะ ไปพักผ่อนดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์หรือไม่ก็ไปช้อปปิง้งถ้าเราเอาเวลาตรงนั้นปุ๊บเราอะละเราเรเซ็ตเวลาใหม่ช่วงเย็นตรงนี้เราจะไปออกกําลังกายสมมติเป็นตอนอนี้นะในขณะที่เราออกกําลังกายเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเราดูหนังละไม่เหมือนเราฟังเพลงหละไม่เหมือนเราไปช้อปปิง้งละ เพราะว่าไอ้ดูหนังฟังเพลงไปช้อปปิ้งเนี่ยมันทําให้เรามีความเพลินในรูปเสียงเก่งรสสัมผัสมุ่งเน้นไปเพื่อให้เราเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่กําลังกายมันก็ไม่ใช่ว่าไม่เพลินนะแต่มันก็ไม่เท่าเก่าไม่เท่ากับไอ้ดูหนังฟังเพลงหรือไปช้อปปิ้งมันก็ลดลงใจมันก็จดจ่อกับกายระดับหนึ่งใจมันก็จดจ่อกับการเคลื่อนไหวของกาย ง่ายมันก็เหมือนกับได้ย้อนย้อนใจกลับเข้ามาที่กายได้ระดับนึงแล้วทีนี้นอกจากมันจะมีประโยชน์กับร่างกายแล้วเนี่ยเราก็แทรกการงานภายในของเราเพิ่มไปได้ด้วยคอยเห็นกายมันทางานเคลื่อนไหวแบบนี้เหาจิตใจเราอยู่ในภายในสงบตั้งมั่นอย่างนี้เห็นกายอันหนึ่งเห็นใจอันหนึ่งกายมันก็ไม่ใช่เราเราก็เป็นคืสติอยู่ที่เฉพาะหน้าเรา คอยออกกาลังกายไปปรับมันก็เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เราก็ได้ดูแลจิตใจเพิ่มมาอีก1ช่วงเวลาแล้วก็แถมสุขภาพกายไปด้วยของแถมทีนี้ในระหว่างวันเราก็ต้องพยายามนี่แหละพยายามทำนี้แหละ เ, ออเช่นพักเบรกเราจะใช้เวลาในช่วงพักพักเบรกยังไง ในระหว่างทำงานเนี่ยเราจะแทรกในการที่เราจะมีสติเห็นกายหินใจให้มันบ่อยขึ้นยังไงเราก็ต้องพยายามนะพยายามดีไซน์ตารางชีวิตของเราให้ให้มันมีประโยชน์ทั้งภายนอกและภายในควบคู่กันไป